จเจ้าเพรนท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศล ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราชส5 5พเป็นวันที่ท่านได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาปฏิบัติ ตามศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาพระอรหันตะสัมมาสมพุทธเจ้าผู้ทรงตัดสร้โดยชอบโดยพระองค์เองสิ่งที่พระองค์ทรงตัดสร้แล้วนำมาสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเรา มีคุณมีประโยชน์แก่สัตว์โลกเป็นอย่างยิ่งเพราะจะสามารถทำให้จิตใจของสัตว์โลกได้อยู่เหนือความทุกข์ความรุ่นวายใจต่างๆได้ <c oughs> ถ้าไม่มีพระธรรมคำสอนก็เปรียบเหมือนกับการอยู่ในที่มืดสนิทมองไม่เห็นอะไรรอบด้าน จะทำอะไรก็ต้องทําแบบสุมส่มสุ่มเดาทําแบบผิดผิดทุกๆผลก็คือความสุขความทุกข์ที่สลับกันไปสลับกันมาแต่ส่วนใหญ่จะเป็นความทุกข์มากกว่าความสุขแต่ถ้าได้รับแสงสว่างแห่งธรรมแห่งพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เปรียบเหมือนกับ มีแสงสว่างในที่มืดเช่นมีเทียนหรือมีไฟฉายหรือมีไฟฟ้าพอมีแสงสว่างแล้วก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ชัดเจนอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นพิษเป็นภัยอะไรเป็นประโยชน์เราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อเห็นแล้วเราก็จะ ทำแต่สิ่งที่มีคุณมีประโยชน์สิ่งที่มีโทษมีพิษมีภัยเราก็จะไม่เข้าใกล้เราจะไม่ทำเมื่อเราเห็นและทำในสิ่งที่ถูกที่ควรที่เป็นประโยชน์กับเราแล้วความสุขและความเจริญก็จะเป็นผลที่ตามมาความทุกข์ความเสื่อมเสียต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะ ทั้งส่วนที่เป็นความสุขและความเจริญและส่วนที่เป็นความทุกข์เป็นความเสื่อมเสียเป็นผลที่เกิดจากการกระทำของเราทั้งสิน้นไม่ได้เกิดจากผู้หนึ่งผู้ใดเลยดังนั้นเราจึงควรที่จะศึกษาฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่บ่อยๆเพราะเมื่อเราฟังแล้วเราจะได้ รับอนิสงส์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราต่อไป<ม>เช่น 1. การได้ยินการฟังเทศฟทังธรรมนี้จะทําให้เราได้ยินในเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. เรื่องที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วเมื่อฟังซ้ํำอีกแล้วหลายๆหนก็จะเกิดความ เข้าใจดีขึ้น 3. ทํทำให้ขจัดความสงสัยในเรื่องราวต่างๆได้ 4. ทํทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องและทําทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ความวุ่นวายใจเพื่อจิตจะมีความสงบผ่องใสมีความสุขมีความสบาย นี่คืออันทีสงห้าประการที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมเป็นประจำอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพราะพระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติวันธรรมะสวนาะแปลว่าวันฟังธรรมไว้ทุกวันขึ้นวันแรงแปดข้าแล้วก็วันขึ้นวันแรง 14่ข้ามบ้าง15ข้ามบ้างก็ประมาณทุก7วันโดยเฉลีย่ยจะต้องคุจะควรฟังเทศฟังธรรมกันสักครั้งหนึ่งเหมือนกับการชาร์จแบตเตอรี่ของรถยนต์ถ้ารถยนต์ไม่ได้ชาร์จแบตเลยมีแต่ใช้อย่างเดียวเดี๋ยวก็ไม่สามารถที่จะสตาร์ทรถให้วิ่งได้เพราะแบตหมดไม่มีไฟฟ้า ที่จะไปทำให้รถให้เครื่องยนต์ในรถติดขึ้นมาเพื่อที่จะได้ขับรถขับพารถไปตามสถานที่ต่างๆได้นั่นเองนี่คือความสำคัญความจำเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมเราอย่ามองข้ามกิจภารกิจอันนี้ไปเป็นอันขาดเพราะเท่ากับการตัดแขนตัดขาเรานั่นเอง เท่ากับปิดหูปิดตาเราทําให้เรากลายเป็นคนพิการไปทําให้เราไม่สามารถที่จะพึ่งตัวเราเองได้ทําให้เราต้องทุกข์ต้องกังวลกับการพึ่งพาบุคคลต่างๆสิ่งของต่างๆยังไม่รู้จักจบจากสิ้นแต่ถ้าเรามีแสงสว่างแห่งธรรมที่เราได้ยินได้ฟังอยู่เป็นประจํา เราจะรู้ว่าไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนด้วยการอาศัยแสงสว่างแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเป็นเป็นผู้นำทางเป็นผู้ชี้บอกว่าควรจะทำอะไรแล้วเราก็ทำเราไม่ต้องหวังพึ่งคนอื่น เพรคนอื่นหรือสิ่งอื่นนี้พึ่งไม่ได้พึ่งได้เป็นบางครั้งบางคราวเป็นบางเวลาแต่จะพึ่งไปตลอดนี้พึ่งไม่ได้ถ้าเราพึ่งคนนั้นสิ่งนี้แล้วถ้าเกิดเขาจากเราไปหรือเขาเป็นอะไรไปแล้วเราจะทำอย่างไรเมื่อเราไม่รู้จักพึ่งตนเอง พอสิ่งที่เราพึ่งหรือคนที่เราพึ่งเขามีอันเป็นไปเราก็จะต้องทุกข์วุ่นวายใจแต่ถ้าเราพึ่งตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาเราก็จะไม่ขาดที่พึ่งเพราะตัวเรานี้จะอยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าเราจะไปไหนไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเวลาใดเราก็จะมีที่พึ่ง ไปกับเราเสมอดังนั้นเราจึงควรฝากฝังชีวิต จ, จิตใจของเราไว้กับตัวเราไว้กับการกระทําของเราเพราะการกระทําของเรานี่แหละจะเป็นที่พึ่งและจะเป็นภัยกับเราขึ้นอยู่ว่าเราทําอะไรถ้าเราทําดีเราก็จะได้ที่พึ่ง ถ้าเราทำชั่วทำบาปทากรรมเราก็จะได้ภัยอันตรายเข้ามาคุกคามจิตใจของเราไม่มีใครหรอกที่นำเอาภัยต่างๆมาให้กับเรามีเรานั่นแหละที่ไปนำเอาภัยต่างๆเข้ามาสู่ตัวเราด้วยการทำบาปทากรรมด้วยการไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เสื่อมเสียต่างๆ เช่นอบายามุกต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นการพนันการเสพสุรายาเมาการเที่ยวกลางคืนการคบคนชั่วเป็นมิจฉาและความเกียดคร้านนี่คือความเสื่อมเสียที่จะฉุดลากให้เราไปทําบาปทํากรรมต่อไปให้เราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปประพฤติไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณี ไปพูดปดมดเท็ดแล้วเมื่อเราได้ทำสิ่งเหล่านี้แล้วผลก็คือความเสื่อมทางด้านจิตใจก็จะตามมาตอนนี้เราเป็นมนุษย์แต่พอเราได้ทำบาปทำกรรมแล้วความเป็นมนุษย์ของเราก็จะค่อยจางหายไปเราได้ความเป็นอบายมาทดแทน คือได้พบของอบายหรือได้สถานภาพของอบายเช่นได้เดรัจฉานได้เปรตได้อสุรกายได้นรกมาเป็นสมบัติแทนในขณะที่มีชีวิตอยู่ชีวิตของเราก็จะต้องมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจความเศร้าโศกเสียใจความกาวนกาวายความหวาดกลัวต่างๆ พอเมื่อเราทำบาปทำกรรมแล้วจิตใจของเราก็จะมีแต่ความรู้สึกเหล่านี้พอตายไปเราก็ยังต้องไปเกิดในอบายเพื่อไปใช้กรรมที่เราได้ทำมาเพราะพะพุทธเจ้าจสงสอนให้พวกเราเชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเชื่อว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงอบายมีจริง สุขติมีจริงมรรคผลนิพพานการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงและเป็นผลที่เกิดจากการกระทำของเราทั้งสิ้นการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจนี่แลที่จะเป็นตัวพาเราไปสู่สุขติก็ได้ไปสู่อาบายก็ได้เพราะ ใจของเรานี่ไม่ใช่เป็นร่างกายร่างกายนี้เปลี่ยนเป็นเหมือนเสื้อผ้าอภร์ของใจเมื่อร่างกายนี้ตายไปใจก็หาเสื้อหาเสื้อผ้าอภร์ชุดใหม่มาสวมใส่เหมือนกับร่างกายของเราเวลาที่เราใส่เสื้อผ้าอภาร์ต่างๆพอมันเก่ามันขาดแล้วไม่สามารถใส่ได้แล้ว เราก็โยนทิ้งไปแล้วเราก็ซื้อชุดใหม่มาใส่แทน mm hmm. การขาดการสูญเสียหรือการสิ้นสุดของเสื้อผ้าอา่อนนี้ไม่ได้ทำให้ร่างกายสิ้นสุดไปด้วย mm hmm. เช่นเดียวกับความสูญความสิ้นสุดของร่างกายไม่ได้ทำให้ จิตใจสิ้นสุดไปด้วยและอนิสง์ของบุญของกรรมที่ทําไว้ก็ไม่ได้สิ้นสุดไปกับร่างกายเพราะร่างกายเป็นเพียงเสื้อผ้าอาภัยของใจเท่านั้นเองใจนี่แหละเป็นผู้กระทําเพียงแต่อาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือแต่ร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้รับอนิสง์ ของบาปหรือของบุญแต่อย่างใดมีใจนี้เป็นผู้รับอนิสงค์ของบาปของบุญดังนั้นเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็ต้องรับวิบากกรรมที่ได้ทําไว้ต่อไปทั้งในส่วนที่ดีคือบุญและในส่วนที่ไม่ดีคือบาปขึ้นอยู่ว่า เวลาที่ใจกับร่างกายแยกออกจากกันนั้นเป็นวาระของบุญหรือของบาปถ้าทำบาปไว้มากก็จะบาป ก, ก็จะมีอำนาจมีพลังมากกว่าบุญถ้าทำบุญมากกว่าบาปบุญก็จะมีพลังมีอำนาจมากกว่าบาป ก, ก็จะเป็นตัวที่จะ ชุดลากใจให้ไปเกิดใหม่ไปเกิดสูงหรือไปเกิดต่ำก็อยู่ที่บุญและบาบนี้เองถ้าทำบุญไว้มากทำบาสน้อยโอกาสที่จะไปสุขคติก็มีมากกว่าไปอบายถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญโอกาสที่จะไปอบายก็มีมากกว่าบุญนี่หมายถึงในช่วงที่ร่างกายกับใจแยกทางกัน แต่ไม่ได้หมายความว่าบาปที่ยังไม่ได้ส่งผลนั้นจะไม่ส่งผลหรือบุญที่ยังไม่ได้ส่งผลจะไม่ส่งผลเขาก็จะส่งผลต่อไปเมื่อบาปหรือบุญที่มีกาลังมากนั้นมันหมดไปบาปหรือบุญที่มีกำลังรองลงมาก็จะขึ้นมาแทนที่จะมาทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าบาปและบุญจะหมดไป หรือจนกว่าใจได้เข้าถึงพระนิพพานหรือได้เข้าสู่กระแสที่จะนำพาไปสู่พระนิพพานถ้าใจได้เข้าสู่กระแสไปสู่พระนิพพานแล้วกระแสรพระนิพพานนี้ก็จะไม่ไหลไปทางอบาย ม, ะะมีแต่จะไหลไปทางสุขติจนถึงพระนิพพานในที่สุด ผู้ที่ได้เข้าสู่กระแสของพระนิพพานแล้วก็สามารถตัดเรื่องของการไปเกิดในอบายได้เพราะไม่ได้ไม่มีกระแสของอบายมาฉุดลากไปนั่นเองเพราะเข้าไปในกระแสของพระนิพพานนี่คือจุดเริ่มต้นของพระอริยะเจ้าทั้งสี่ระดับ คือพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพระอาหารหันต์เป็นเหมือนกับสถานีรถไฟฟ้าพอเราขึ้นรถไฟฟ้าแล้วรถก็จะวิ่งไปตามสถานีต่างๆสถานีแรกก็เป็นพระโสดาบันสถานีที่สองก็เป็นพระสกิดาคามีสถานีที่สามก็เป็นพระอนาคามี สถานีสุดท้ายก็คือพระอาหารหันต์เมื่อถึงสถานีสุดท้ายพอลงจากรถก็ถึงพระนิพพานสถานีนี้เป็นพระอาหารหันต์แต่พอเราออกจากสถานีไปแล้วก็จะเป็นพระนิพพานเป็นแดนที่มีแต่ความสมบสุขแดนที่ไม่มีความทุกข์ต่างๆเป็นไปตามกระแสของพระนิพพาน เป็นไปตามการปฏิบัติทางกายและวาจาใจโดยมีใจเป็นผู้ปฏิบัติเพราะการปฏิบัติทุกอย่างต้องออกมาจากความคิดของใจใจถ้าคิดทาบุญก็จะสั่งให้ร่างกายไปทาบุญใจคิดจะทำบาป ก, ก็จะสั่งให้ร่างกายไปทำบาปดังนั้นการกระทำที่แท้จริงนี้ไม่ได้อยู่ที่ใครไม่ได้อยู่ที่ไหน แต่อยู่ที่ใจอย่างเดียวร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือของใจเท่านั้นเองดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะไปวิตกกังวลกับเรื่องของร่างกายมากจนเกินไปหมายถึงเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสิ่งที่เราควรจะกังวลก็คือเรื่องของการกระทําของใจ ว่าทำความดีได้อย่างเดียวหรื อ, อยังหรื อ, อยังทาความดีสลับกับการกระทาความชั่ว อ, อยู่ถ้าเป็นอย่างนี้เราต้องวิตกกังวลให้มากเพราะว่าการกระทาความชั่วหรือการกระทาบาปนี้มันเป็นการทำลายทำลายจิตใจของเราเป็นการสร้างความทุกข์ทรมานใจให้แก่เรา เราจึงควรคอยเฝ้าดูการกระทาของใจว่ากำลังทาไปในทางใดคือความคิดของเรานี่แหละคือการกระทาของใจทุกสิ่งทุกอย่างนี้ต้องเกิดจากความคิดก่อนเมื่อเกิดความคิดแล้วผลก็จะตามมาผลก็มีสองอย่างคือ หมายถึงผลที่จะส่งไปสู่ที่ร่างกายพอคิดอยากจะด่าใครก็จะส่งไปที่ร่างกายแล้วปากก็จะพูดออกมาจะด่าออกมาแล้วผลที่เกิดขึ้นในใจก็คือความวุ่นวายใจความรุ่มร้อนใจก็จะเป็นผลตามมาแล้วความรุ่มร้อนของใจนี้ก็จะสะสมไว้ในธนาคารของใจ ไว้เวลาที่ใจแยกทางออกจากร่างกายแล้วความร่วมร้อนนี้ก็จะส่งผลออกมาสู้กับความเย็นที่เกิดจากการทำบุญของใจอย่างวันนี้เราคิดมาทำบุญให้ทางใจของเราก็เย็นเมื่อเราคิดแล้วเราก็สั่งร่างกายให้ทำคือให้มาวัดให้นำเอาเข้าวของต่างๆมาถวายพระ อย่างนี้ก็ทำให้ใจมีความล่มเย็ยนเป็นสุขก็จะเก็บไว้ในธนาคารของใจเช่นเดียวกันทั้งสองส่วนทั้งความร้อนและความเย็ยนนี้ก็จะค่อยๆสะสมขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เพราะในชีวิตของเราแต่ละวันเราทำกรรมหลายรูปแบบด้วยกันกรรมที่เป็นบาปเราก็ทำกรรมที่เป็นบุญเราก็ทำกรรมที่ไม่ใช่เป็นบุญไม่ใช่เป็นบาป เราก็ทาพอทำแล้วมันก็สะสมไว้ในธนาคารบุญในใจของเราไปเรื่อยๆพอถึงเวลาที่ใจของเราต้องแยกกับร่างกายตอนนั้นธนาคารบุญและธนาคารบาปเขาก็จะออกมาต่อสู้กันดูว่าใครมีกําลังมากกว่ามีพลังมากกว่า ถ้าธนาคารบุญมีมากกว่าก็พาไปสู่สุขติไปเกิดเป็นเทพบ้างเป็นพรหมบ้างไปเป็นพระอริยเจ้าบ้างหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่หรือเมื่อหมดบุญที่ได้ทำไว้ก็จะกลับมาที่พบของมนุษย์เช่นเดียวกับถ้าบาปมีกำลังมากกว่าความรุ่มร้อนใจมีกำลังมากกว่า ก็จะพาให้ไปเกิดในอบายเมื่อหมดบาปแล้วบาปก็จะก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาเริ่มต้นใหม่แต่คาว่าหมดบาปนี้ก็ไม่ได้หมดเลยหมายถึงหมดในส่วนที่มันหมดแต่ส่วนที่ยังไม่มีอันิสงส์หรื อ, อยังไม่เจริญเติบโตพอส่วนนั้นก็ยังไม่แสดงพอกลับมาเกิดมาเป็นมนุษย์ ทั้งบุญและบาปที่ยังไม่มีกำลังก็ถ้ามีกำลังเขาก็จะเป็นตัวสมผลให้เราทำบุญมากขึ้นหรือทำบาปมากขึ้นดังนั้นคนเราจึงมีความตา่ตงต่างกันในเรื่องการทำบุญทาบาปบางคนทำบาปง่ายทำบุญยากบางคนทำบุญง่ายแต่ทำบาปยาก นั่นก็เป็นเพราะบุญหรือบาปที่ยังไม่ได้ส่งผลที่ยังมีอยู่ในจิตใ จ, ใจเริ่มส่งผลขึ้นมานั่นเองดังนั้นเราจึงอย่าประมาทในเรื่องของการทำบุญและทำบาปอย่าไปคิดว่าทำแล้วพอไม่มีคนรู้แล้วแสดงว่าไม่มีอนิสงส์แล้วไม่เกิดผลแล้ว เช่นเราทำดีแทบตายไม่มีใครชมเราสักคำหนึ่งไม่มีใครให้รางวี่รางวัลเราไม่มีใครให้ให้เราได้รับสิ่งดีๆเลยเยช่นเดียวกับการทำบาปเมื่อทำไปแล้วไม่มีใครรู้ไม่มีใครมาจับเราไปลงโทษก็ไม่ได้แสดงว่าไม่มีผลผลมันมีอยู่แล้วในใจเรา ทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีถ้าเราทำบุญโดยที่เราไม่หวังผลตอบแทนจากผู้หนึ่งผู้ใดเราจะมีความสุขใจอย่างยิ่งเราจะไม่กังวลว่าใครจะรู้หรือไม่รู้ใครจะชมเราหรือไม่ชมเราใครจะให้รางวัลเราหรือไม่ให้รางวัลเราไม่สำคัญอะไรแต่ใจของเรานี้จะมีความภูมิใจ มีความสุขใจมีความอิ่มเอิบใจเช่นเดียวกับการทำบาปจะมีใครรู้หรือไม่รู้ก็ตามใจของเราก็จะต้องมีความหวาดกลัวมีความกังวลมีความทุกข์ใจเพราะเมื่อทำไปแล้วความรู้สึกเหล่านี้มันก็จะเกิดขึ้นตามมาทันที ไม่ว่าใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามความรู้สึกนี้มันจะเกิดขึ้นแลวทุกครั้งที่เราไปพบกับใครไปเจอใครเราจะไม่มีความมั่นใจในตัวเราเองเราไม่แน่ใจว่าเขารู้ว่าเราทำบาปทำกรรมทำในสิ่งที่ไม่ดีมาหรือไม่เพราะว่า ความลับไม่มีในโลกนี้เองดังนั้นถ้ามนุษย์ไม่รู้ก็ยังมีผีสางเทวดาที่รู้อยู่หรือมีผู้ที่มีตาทิพย์หูทิพย์ที่รู้อยู่เพียงแต่ว่าเขาจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองดังนั้นเราจึงไม่ควรทำบาปทั้งในที่แจ้งและในที่ลับทั้งต่อหน้าหรือลับหลังผู้อื่น เพราะมันมีอ น, นิสงส์ไม่ดีตามมาอย่างแน่นอนผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดก็คือความวุ่นวายใจความไม่สบายใจถ้ามีความวุ่นวายความไม่สบายใจแล้วต่อให้มีอะไรก็ไม่มีความหมายต่อใหอ้นอนอยู่ในปราสาทราชวังก็ไม่มีความสุขสู้คนที่ไม่มีความวุ่นวายความทุกข์ใจนอนอยู่ใต้สะพาน ก็ก็มีความสุขเพราะความสุขของใจนี้มันอยู่อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างความทุกข์ของใจนี้มันอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างถ้าใจทุกข์แล้วไม่มีอะไรในโลกนี้จะมาทำให้มันหายทุกข์ได้จนกว่ามันจะหมดแรงของมันไปเองเช่นเดียวกับความสุขใจไม่มีอะไรที่จะมาทำลายได้ ถึงแม้จะต้องไปติดคุกติดตารางอดอยากขาดแคลนอาหารต่างๆก็ไม่สามารถมาทำลายความสุขใจอ น, นี้ได้เพราะพระพุทธเจ้าอดพระกายอาหารได้ถึง49วันเพราะใจของพระพุทธเจ้ามีความสุขที่เกิดจากความสงบคือสมาธิแต่สิ่งที่พระองค์ตอนนั้นยังขาดอยู่ก็คือปัญญา ที่จะทำลายความทุกข์ให้หมดสิ้นไปอย่างถาวรพระองค์ทรงมีความสุขไม่มีความทุกข์ในขณะที่อยู่ในสมาธิแต่พอออกมาจากสมาธิจิตเริ่มคิดเรื่องราวต่างๆก็เกิดความทุกข์อยู่กับความแก่ความเจ็บความตายคือยังกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายอยู่ก็เลยคิดทรมานร่างกายไม่กินข้าวสัก49าวัน ดูซิว่าความกลัวนี้จะหายไปหรือไม่แต่มันก็ไม่หายไปร่างกายใกล้จะตายอยู่แล้วแต่ความกลัวตายนี้ก็ยังมีอยู่พระองค์จึงเห็นว่ามันไม่ใช่ทางจึงย้อนกลับมาดูว่าความกลัวนี้มันอยู่ที่ไหนกันหน่ก็ทรงเห็นว่ามันอยู่ในใจไม่ได้อยู่ในร่างกาย ฆ่าร่างกายไปก็ไม่ได้ทําลายความกลัวตายได้คนที่ฆ่าตัวตายอย่าไปคิดว่าไม่กลัวตายนะกลัวตายเวลาฆ่าตัวตายยิ่งกลัวอย่างแต่เพราะความทุกข์ทรมานใจและความโง่เขลาเบาปัญญาคิดว่าฆ่าตัวตายแล้วจะทําลายความกลัวตายทําลายความทุกข์ต่างๆได้แต่มันไม่ได้อยู่ที่ ความทุกข์หรือความกลัวตายมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันไม่หมดไปกับการตายของร่างกายมันยังอยู่ในใจและจะทุกข์มากยิ่งขึ้นไปอีกจนทำให้ต้องไปตกนรกที่ที่ร้ายแรงกว่าถ้าปล่อยให้ร่างกายทุกทรมานไปกับเรื่องความทุกข์ต่างๆแต่ไม่ได้ฆ่าตัวตายนี่คือสิ่งที่ เรื่องของความทุกข์และความสุขของใจเป็นอย่างนี้ถ้ามีความสุขใจแล้วต่อให้จะทุกข์ยากลำบากเพียงไรก็ไม่มีผลต่อจิตใจเช่นเดียวกับถ้ามีความทุกข์อยู่ในใจแล้วต่อให้ร่ำรวยมหาศาลมีเงินกองเท่าภูเขามีตําแหน่งสูงๆงขนาดไหน ก็จะไม่มีความสุขใจไม่มีความสบายใจถึงให้เราจึงควรให้เห็นความสำคัญของความสุขและความทุกข์ของใจด้วยการเฝ้าดูการกระทำของใจแล้วก็บังคับให้ทำแต่ความสุขคือให้ให้ทำแต่การกระทาที่ดีให้ทาแต่บุญแต่กุศลที่จะ สร้างความสุขให้กับใจอย่าไปเสียเวลากับการแสวงหาเงินทองเข้าของหาบริษัทบริวารหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขแก่ใจเพราะมันไม่ใช่เป็นวิธีให้ความสุขกับใจมันเป็นวิธีสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะเมื่อไปแสวงหาก็จะต้องต่อสู้กันจะต้องดิ้นรน จะต้องทำบาปทำกรรมแล้วผลก็คือความทุกข์ความวุ่นวายใจก็จะเกิดขึ้นในทางตรงกันข้ามถ้าเราเอาเ ว, เวลามาสร้างบุญสร้างกุศลอย่างที่ท่านทั้งหลายมาทำกันในวันนี้ใจของท่านก็จะมีความสุขมากขึ้นแต่สมบัติเข้าของเงินทองก็จะมีน้อยลงไปแต่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไร เพราะเมื่อใจมีความสุขแล้วความต้องการสมบัติเข้าของเงินทองก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆจนไม่มีหลงเหลืออยู่เลยเพราะดูแล้วว่าสมบัติเข้าของเงินทองนี้ไม่ได้ให้ความสุขมีแต่จะให้ความทุกข์การให้สมบัติเข้าของเงินทองไปนี้เท่ากับการให้ความทุกข์ไป ให้ความทุกข์แล้วก็เอาความสุขกลับคืนมาเอาความสุขเข้ามาสู่ใจของเราอย่างวันนี้ญาติโยมก็เสียเงินเสียทองไปอย่างนี้เสียความทุกข์ในใจไปเพราะหมดปัญหาที่จะต้องมากังวลกับเงินทองก้อนนั้นว่าจะดูแลรักษาอย่างไรจะเอาไปใช้อย่างไรถ้าเอาไปใช้ไม่ถูกก็จะสร้างความทุกข์ใจ เช่นเอาไปเล่นการพนันเอาไปเสพสุรายาเมาพอเมื่อเอาไปใช้อย่างนี้แล้วก็จะติดนิดสัยก็จะใช้ไปเรื่อยๆจนต่อไปจะเดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องทองจะต้องไปหาเงินโดยวิธีที่ไม่ชอบผิดศีลผิดธรรมแต่ถ้าเอาเงินนี้มาทําบุญให้ทานใจก็จะมีความสุขมากขึ้นความอิ่มมากขึ้น ความหิวความอยากที่จะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะน้อยลงไปก็จะอยู่ป็นสุขได้โดยไม่ต้องทำอะไรโดยไม่ต้องมีอะไรนี่และเป็นเป็นเรื่องของใจของเราอยู่ตรงนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสั้นแล้วนำมาสั่งสอนให้แก่พวกเราที่ยังหลงผิดยังคิดว่าการ ได้สิ่งต่างๆมาเป็นการสร้างความสุขให้แก่ใจเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอบเป็นความเห็นที่ไม่ตรงกับความจริงพวกเราทุกคนมีสมบัติเข้าวของเงินทองมีอะไรต่อมีอะไรมาก ม, า, กม า, กายกายกองแต่ความทุกข์ของเราเป็นอย่างไงความทุกข์ในใจของเราเป็นอย่างไรน้อยลงไปเนื้อกลับมีมากยิ่งขึ้นไป ลองดูตอนที่เราไม่มีเช่นตอนสมัยที่เราเป็นเด็กๆเราทุกข์เหมือนกับเราทุกข์ในตอนนี้หรือไม่ตอนสมัยเป็นเด็กๆนี้เราแสนจะสบายทุกข์ก็เลือเล็กๆน้อยๆเรื่องเรื่องที่จะถูกผู้ใหญ่ว่ากล่าวตักเตือนเท่านั้นเองแต่ไม่เหมือนกับทุกข์ที่เรากำลังแบกอยู่ทุกวันนี้ทุกข์กับสามีทุกข์กับภรรยาทุกข์กับลูกทุกข์กับงานกับการ ทุกกับเงินทองทุกกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่เพราะเราไปกว้านมันเข้ามาเองเมื่อก่อนเราไม่มีเราอยู่อย่างสบายสมัยเราเป็นเด็กๆ เ, เราอาศัยพ่อแม่อยู่บ้านก็ไม่ใช่ของเราเงินทองก็ไม่ใช่ของเราอะไรก็ไม่ใช่ของเราเราเลยสบายนอนหลับสบายเล่นอย่างมีความสุขแต่ทุกวันนี้เราเล่นไม่ค่อยออกเล่นไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยออก เพราะามันมีความทุกข์คอยกดดันจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลานั่นเองพราะเราไม่สร้างบุญสร้างบุศลนกันเราสร้างกิเลสสร้างความโลภสร้างความโกรธสร้างความหลงสร้างบาปสร้างกรรมกันเราจึงต้องมาใช้กรรมทั้งในปัจจุบันและในอนาคตที่จะตามมาจึ่งขอให้เราพยายามเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราเปลี่ยนความคิดของเราจากการอยากทาบา ให้กลับมาทำบุญจากการอยากได้มากๆให้มาได้น้อยๆยให้ให้เอาเท่าที่จำเป็นก็พอพอเพียงต่อการดำรงชีพก็พอแล้วถ้ามีมากมีเหลือก็นำเอาไปทำบุญต่อไปแล้วต่อไปจิตใจของเราก็จะมีความสุขมากขึ้นมีความสบายมากขึ้นจึงขอฝากเรื่องของการ มาสร้างบุญสร้างกุศลให้แก่จิตใจนี้ให้ท่านได้นำไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่า <c oughs> สมควรแก่เวลาจึงขอยุติดไว้เพียงเท่านี้ขอบุญพระศีรัลนตรยัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้